ส่วนพวกทิฏฐิจิตบุคคลทิฏฐิจิตบุคคลพวกนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับวิปนิจจาวิปลาสเที่ยงกับอัตตาเพราะพวกนี้จึงสแสวงหามโนสัญเจตนาหารเพื่อความเที่ยงกรรมที่ใดบ้างนำไปสู่พบที่เที่ยงวิญญาณพวกนี้ก็สำคัญว่าวิญญาณ น, นั้นเป็นอัตตาเข้าไปอีกเพราะพวกนี้จึงสแสวงหาพบที่มันเที่ยงสแสวงหาแต่ความเป็น อัตตาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอัตตาเนี่ยมากพวกนี้เป็นกลุ่มทิฏฐิจริตบุคคลนะครคนไทยแต่ว่าคนไทยโดยรวมๆนะกลุ่มตัดกลุ่มโดยมากตันหาจริตไม่ใช่กลุ่มทิฏฐิจริตแต่ก็มีชนส่วนน้อยนะก็พอมีนะพวกนี้ให้ความสําคัญกับทิฏฐิจริตแสวงหาความเที่ยงสแสวงหาอัตตาอะไรพวกนี้นะ บรรดาอุปาทานสี่การมุปาทานและพวุปาทานเป็นอุปกิเลสของตันหาจริญพวกนี้สแสวงหาความยึดถือด้วยอำนาจของอความยึดมั่นในเรื่องกรรมเนี่ยนะกิเลสกรรมที่ผูกพันในวัตถุ ก, การมเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็สแสวงหาว่าพบพวุปาทานความยึดถือพบว่าพบใดจะให้ความสุขเนี่ยนะที่ไหนนะจะให้ความสุขคิดอีกในหนึ่งนะบอกว่าพวกพวกตันหาจริญนะ พวกตันหาเจริญอะไรสแสวงหากับพลีกระหานเพื่อความงามเมื่อได้รับความงามก็จะได้ยึดมั่นในกามุปาทานอีกในหนึ่งพวกที่ต้องการผัสสะหารพวกนี้ก็ต้องการความสุขแล้วพบใดบ้างนะที่จะได้ความสุขก็ยึดถือในพบที่เป็นเหตุให้ได้รับความสุขอย่างเต็มที่ส่วนพวกมโนสัญเจตนาหาเนี่ยก็สแสวงหาการทากรรมว่าอยู่ที่ไหนมันเที่ยงบ้าง พไหนที่มันยั่งยืนที่มันเที่ยงพวกนี้ก็สแสวงหาความเที่ยงเมื่อได้รับความเที่ยงก็ยึดถือด้วยอำนาจทิฐินะนะที่ถูกบาทานยึดถือด้วยอำนาจทิฐิพวกนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของทิฐิเป็นหลักส่วนพวกวิญญาณอาหารพวกวิญญาณอาหารพวกกลุ่มวิญญาณอาหารพวกนี้สแสวงหาอะไรสแสวงหาอัตตานะนะพวกนี้สแสวงหาอัตตามันวิปลาดว่าเป็น อัตตาแล้วก็ยึดถือด้วยอํานาจของอัตวาทุปาทานเนี่ยนะยึดถืออยู่ในอํานาจของอัตวาทุปาทานก ล, นกกลุ่มกลมนะตันหาจริตกับกลุ่มทิฏฐิจริตสรว่าตันหาจริตเป็นพวกยึดถือกับพลิงกราหานภาษาหานสุภาพวิปาสสุขาวิปาาัาสกามุปาทานและภะวุปาทานพวกทิฏฐิจริตพวกนี้สแสวงหา มโนสันเจตานาหารวิญญาณอาหารนิจาวิปาอัตวิป拉萨ทิโทปาทานและอัตวาทุปาทานเ <c oughs> นี่ยบรรดาโยคะสี่เนี่ยนะกามโยคะและภวะโยคะพวกนี้เป็นกลุ่มตันหาจริตเพราะพวกตันหาจริตนี้แสวงหายโยคะการประกอบประกอบไว้ด้วยกามกับประกอบไว้ด้วยพบ น, นะพวกนี้จะคิดว่าที่ใดที่สมบูรณ์พูนสุขด้วยกามมาสุขพบใดเป็นที่อยู่ สบายผู้นี้ก็สแสวงหาความสุขในวัตถุกรรมและกิเลสกรรมยึดถือว่าพบใดที่จะเพียบพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยกิเลสกรรมและวัตถุกรรมผู้นี้เป็นกลุ่มตันหาจริตบุคคลส่วนพวกทิฏฐินะให้ความสําคัญกับทิฏฐิพวกประกอบตัวเองไว้กับทิฏฐิแล้วก็ประกอบไว้กับอวิชชาอันนี้เป็นอุปกิเลสของทิฏฐิจริตบุคคลเพราะว่าพวกทิฏฐิจริตบุคคลเนี่ยนะให้ความสําคัญกับทิฏฐิ แต่อันนี้พวกพวกนี้สายวัตตะพวกนี้ก็มืดเงื้อเข่านะไม่เห็นอริยสัจจะทำอะไรก็เลยประกอบตัวเองไว้กับอวิชชาเนี่ยนะหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาในบรรดาคันทะสี่อภิชากายคันทะและพยาปาทะกายคันทะเป็นอุปกิเลส ข, ของตันหาจริตเพราะว่าพวกตันหาจริตเนี่ยนะพวกนี้มันอภิชามากนะผูกพัน จิตใจไว้กับตัวเองด้วยอำนาจของอภิชาก็คืออภิชาเนี่ยนะเป็นเป็นเหตุให้เพ่งเล็งเกิดความต้องการเกิดความอยากได้พอไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการอะไรเกิดพยาปาทะกายคันธะการประกอบไว้วกับโทสะก็ก็เกิดขึ้นเพราะไม่ได้สมความปรารถนาพันอ่าตัณหาจิตเนี่ยแสดงออกมาว่ามีความต้องการทะเยอทะยาน แล้วก็เป็นคนโกรธเป็นคนเสียใจบ่อยๆเพราะไม่สมความต้องการกลุ่มเหล่านี้เป็นพวกตันหาจริตส่วนพวกทิฏฐิจริตเนี่ยนะพวกนี้สนใจให้ความสำคัญกับข้อปฏิบัตินะว่าจะปฏิบัติอย่างไรข้อปฏิบัติเป็นยังไงให้ความสำคัญกับศีพลพรทและแสวงหาสัจจะสแสวงหาความจริงอาจจะจริงในความคิดะนะพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็ให้ความสาคัญใน ความจริงในความคิดให้ความสําคัญกับความคิดยึดถือความคิดเนี่ยนะแสวงหาข้อปฏิบัติที่ถูกตรงกับความคิดพวกนี้ก็เป็นกลุ่มทิฏฐิจริญบุคคลเนี่ยนะทิฏฐิจริญบุคคลนี่เขาเป็นอย่างนั้นบรรดาอาสวะสีเนี่ยนะความหมักดองด้วยกามกับความหมักดองด้วยภพอันนี้เป็นอุปกิเลสความเศร้าหมองของตันหาจริตบุคคลเพราะตันหาจริญบุคคลก็ มกมุ่นผูกพันเกี่ยวดองใจเอาไว้กับวัตถุกรรมด้วยอำนาจกิเลสกรรมสแสวงหาพบเป็นที่สมบูรณ์พูนสุขด้วยวัตถุกรารมเนี่ยนะกิเลสกรารมก็จะได้เสเวยสมบูรณ์พูนสุขอยู่ในนั้นส่วนพวกทิฏฐิจริตบุคคลเนี่ยนะให้ความอยู่บนพื้นฐานของมิจฉาทิฐิและอวิชชาเนี่ยนะก็ะเต็มไปด้วยความโง่เขลาความไม่รู้แต่ก็สแสวงหาก็ยังไม่รู้ว่าหาอะไรบ้างนะหาไม่เจอสักทีหนึ่ง จะไปเจอได้ยังไงนะหลับตาหานจะไปเจอได้ยังไงนะแต่ว่าพวกนี้ก็ให้ความสําคัญสแสวงหาสาระแต่ว่าไม่ประสบสาระเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าปกติหมูส่สาตว์ทั้งหลายที่อยู่ในวัตตะถ้าไม่อาศัยคําสอนเนี่ยนะจะประสบสิ่งที่เป็นสาระโดยเฉพาะมรรคผลนิพพานก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วส่วนการโมคะการท่วมกิเลส ท, ที่ทําให้ท่วมทับเนี่ยนะกิเลส ท, ท่วมทับคือการกิเลส ท, ที่ทําให้ท่วมทับคือภพ พวกนี้ท่วมทับอยู่ด้วยกิเลสการมนะกิเลสท่วมทับว่าปรารถนาพบที่สมบูรณ์ด้วยกิเลสการมพวกนี้เป็นลักษณะของตันหาจริตบุคคลพวกทิฏโคฆาวิโชคะเป็นอุปกิเลสของทิฏฐิจริตบุคคลเพราะพวกทิฏฐินี่ให้ความสําคัญกับความเห็นมากนะให้ความสําคัญกับลัทธิทฤษฎีเนี่ยมากแต่ก็ตกอยู่ด้วยอํานาจความลุ่มลงและความไม่รู้บรรดาลูกศอนสประการเนี่ยนะ คนที่เป็นตันหาจริตเนี่ยจะถูกราคะทิมอยู่ในใจแล้วก็ถูกโทสะแทงอยู่ในใจตลอดถูกลูก้อนคือราคะทิมแทงถูกลูกสอนคือโทสะทิมแทงอยู่นั่นแหละนี่เป็นลักษณะของคนตันหาจริตส่วนพวกทิฏฐิจริตเนี่ยนะถูกมานะทิมแทงพวกนี้เยอะยิ่งมากเลยนะพวกมานะมากพวกพวกทิฏฐิจริตแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจความล่มหลงเนี่ยนะตกอยู่ในอำนาจความล่มหลง กล่าวถึงวิญญาณเนี่ยนะจิตของของพวกตันหาจิตเนี่ยโคโจรอยู่ที่ไหนโคโจรอยู่กับรูปและเวทนานะจริงๆนะว่าพวกตันหาจิตเนี่ยปล่อยใจให้เวียนอยู่กับรูปคิดถึงแต่เรื่องของรูปและเรื่องของเวทนาตัวเองจะได้รูปอะไรบ้างตัวเองจะได้รับความสุขอะไรบ้างผ่านพวกตันหาจิตนี้เป็นอย่างงี้สนใจแต่รูปกับเวทนา จะได้รูปอะไรไหมจะได้รูปแบบนั้นไหมจะได้รูปแบบนี้ไหมจะได้วัตถุอย่างนั้นไหมจะได้วัตถุอย่างนี้ไหมเมื่อตัวเองได้วัตถุอย่างนั้นแล้วจะมีความสุขอย่างไรเนี่ยนะจะได้ความสุขแบบนั้นไหมจะได้ความสุขแบบนี้ไหมฝันพวกนี้พวกตันหาจริตก็สแสวงหาแต่รูปและเวทนาติดใจอยู่ในรูปและเวทนาส่วนพวกทิฏฐิจริตพวกนี้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสัญญาความสําคัญหมายความรู้สึกนึกคิด พวกนี้ให้ความสำคัญในโลกของนามธรรมโลกของความเห็นพวกพวกให้พวกนี้ให้ค่ากับลัทธิมากนะลัทธิความสำคัญความรู้สึกนึกคิดความนึกคิดเนี่ยพวกนี้ให้ความสำคัญกับความคิดว่าความคิดนี่มีราคาให้ความคิดว่าความคิดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส่นี้พวกที่เป็นตันหาจริตเนี่ยนะพวกนี้จะมีฉันทากติกับโทสาคติใช้ชีวิตดาเนินอยู่ด้วย ฉันทะเรียกว่าลําเอียงด้วยอำนาจของฉันทากติก็คือความรักนะนะยอมผิดอะไรก็ช่างเถอะเพื่อความรักแล้วทาได้หรือบางทีถ้ารักไม่สมหวังก็ทําไงก็โกรธนี่นะโกรธเครียดแค้นทําลายทุกอย่างพวกที่มีจิตคิดทําลายประทุษร้ายนี่ก็เนื่องจากความโกรธพันคนที่ผูกพันด้วยความรักในที่สุดก็โกรธรุนแรงพวกนี้ก็เป็นกลุ่มตันหาจริตส่วนพวกที่นี่พวกนี้เน้นให้ความสัมพันธ์กับความกลัวแล้วก็โง่ ง, งมงายพวกนี้ก็ ทิฏฐิจริญเนี่ยนะก็คงพอสังเกตได้นะว่าพวกตันหาจริญแสวงหากับพลิงกราหานผัสสาหานอยู่บนพื้นฐานสุภาพวิปลาสุขาวิปลาสยึดถือด้วยอํานาจกามยึดถือด้วยอํานาจภพประกอบไว้ในกามประกอบไว้ในภพนะเพ่งเร็งเรียกว่าร้อยรัดไว้ด้วยกายคันธ์แปล ว, ว่าเครื่องร้อยรัดอยู่ด้วยอภิชา เครื่องร้อยรัดอยู่ด้วยความโกรธพวกนี้หมักดองด้วยกามหมักดองไว้ในภพพวกนี้ยินดีในถูกกิเลสกามท่วมทับถูกเรียกว่าภพเนี่ยนะภาวะตัญหาเนี่ยท่วมทับถูกลูกศรคือราคะถูกลูกศรคือโทสะวิญ ญ, ญาณทิติที่ตั้งมั่นอยู่ในรูปและเวทนาใช้ชีวิตอยู่ด้วยอํานาจฉันทาคติและโทสาคติเนี่ยนะไปคดด้วยอํานาจฉันด้วยอํานาจราคะไปคดด้วยอํานาจโทสะเพราะ ยอมคดเพราะความโลภยอมคดเพราะความโกรธอันนี้พื้นฐานของผู้ที่ท่องเที่ยวไปด้วยตันหาจริตเนี่ยนะจะรู้ว่าสลับสลับจริตแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะอย่างคนไทยเนี่ยโดยมากที่เห็นเห็นก็เป็นพวกตันหาจริตสัส่วนใหญ่เนี่ยนะร้อยละเเป็นตันหาจริตหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะพันคนเนี่ยนะที่ถิจริตสักสองคนอย่างเงี้ย ส่วนพวกทิฏฐิเจริญนี่ให้ความสาคัญกับมโนสัญเจตนาหารคือการกระทำวิญญาณอาหารคือความคิดพวกนี้เน้นความเที่ยงกับอัตตานะยึดถื อ, อสำให้ความสาคัญวิปปลชาสาคัญว่าเที่ยงหรือสแสวงหาความเที่ยงพวกนี้ให้ความสาคัญกับอัตตายึดถือในอัตตาพวกนี้แบกยึดถือด้วยอานาจทิฏฐิและอัตตาประกอบตัวเองไว้กับทิฏฐิและอวิชชา ปฏิบัติอยู่ในศีลพัตตปรามาตเนี่ยนะพวกนี้เน้นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติเพื่ออทางสัจจาพินิเวศายึดถือว่าสิ่งที่ฉันทาเท่านั้นจริงคนอื่นตำผิดหมดเนี่ยนะพวกนี้ก็ยึดถือด้วยอํานาจหมัก ด, ดองด้วยอํานาจทิฐิและอวิชชาถูกกิเลสคือทิฐิและอวิชชาท่วมทับถูกลูกสอนคือมานะและโมหะทิ่มแทงจิตใจทั้งหลายใจของเขาเนี่ยโครจรเกี่ยวเนื่องในสัญญาและสังขารพวกนี้คิดแต่เรื่องนามธรรมา ให้ความสำคัญกับสัญญาและสังขารพวกนี้ชีวิตจึงอยู่ด้วยความกลัวและความโง่เนี่ยนะกลัวว่ากลัวจะไปเป็นอย่างนั้นกลัวจะไปเป็นอย่างนี้แต่ก็โง่เขาไม่รู้จริงซากอย่างพวกนี้เป็นพื้นฐานของพวกทิฏฐิจิตบุคคลเนี่ยนะทิฏฐิจิตบุคคลนี่มาดูว่าพวกกับพลีกราหานเนี่ยนะกับพลีกราหานเนี่ยเป็นตัวส่งเสริมสุภาพิปราชเนี่ยนะ กิง玲กระหานเนี่ยเป็นตัวส่งเสริมสุภาพวิปลาสเพราะพวกนี้จะให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารเพื่อความงามว่าั้นสแสวงหาอาหารเพื่อความงามจะได้ติดข้องผูกพันอยู่กับความงามส่วนพวกผัสสาหารพวกนี้ก็มีความวิปลาสเห็นว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์พวกนี้ก็สแสวงหาผัสสะเพื่อความสุขที่อันนันพวกนี้ขายขายอะไรขายความสุขใช่ไหมขายอาหารเพื่อขายกัาพ玲กราหานเพื่อความงามขายที่อยู่อาศัยเพื่อ ความสุขนั้นผัสสะก็จะได้จากอะไรพวกที่อยู่อาศัยเป็นต้นเพราะถือว่าการกระทบสัมผัสบรรยากาศที่อะไรนะบางทีก็อะไรนะให้ความสําคัญทั้งบรรยากาศที่ดีและอาหารอร่อยที่จริงก็คือส่งเสริมพวกอะไรตันหาวิปลาสนะวิญญาณอาหารย่อมมีความเห็นวิปลาสว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงนะนะพวกนี้ก็ จิตใจโครจรเพราะว่าพวกพวกที่ยึดถือในวิญญาณอาหารพวกนี้สําคัญว่าว่าเที่ยงเพราะความคิดเนี่ยนะเพราะคนที่ยึดถือว่าวิญญาณเนี่ยเที่ยงนะแต่จิตเนี่ยไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ น, แ น, นอนแต่ว่าวิญญาณนี้เที่ยงแต่ว่าโดยรวมๆผู้ที่ไม่ศึกษาพระธรรมจะให้ความสําคัญว่าใจทั้งหลายนี่เป็นของเที่ยงจิตนี่เป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนมัน้งอ่า นิจวิปปล่าจึงอยู่กับเรื่องของจิตเป็นใหญ่เป็นหลักส่วนอัตราวิปปล่าพวกนี้อยู่กับมโนสัญเจตนาหารนะมโนสัญเจตนาหารก็ยึดถือในสิ่งที่ไม่ใช่อัตราว่าเป็นอัตตาเพราะพวกวิญญาณอาหารเนี่ยสำคัญว่าเที่ยงมโนสัญเจตนาหารเนี่ยสำคัญว่าเป็นอัตตา วิปลาสที่หนึ่งเนี่ยนะวิปลาสที่หนึ่งคือโสภวิปลาสพวกนี้เนี่ยยึดมั่นในกามพวกที่ใดพวกใดที่ให้ความสาคัญในความงามยึดถือในความงามวิปลาสอยู่กับความงามพวกนี้เป็นพวกกามุปาทานยึดถือในเรื่องกามส่วนผู้ที่ให้ความสาคัญกับความสุขยึดมั่นในความสุขวิปลาสว่าเป็นสุขพวกนี้ยึดมั่นในภพที่เป็น อนาคตเพราะฉะนั้นบอกว่าชาติหน้าชาติไหนขอให้มันชาติที่ได้รับแต่ความสุขก็ปรารถนาที่จะอยู่ในภพนั้นปรารถนาที่จะอยู่ในชาตินั้นอันนี้ก็เป็นพวุป่าทานพวกวิป ป, าาปราชที่สวิปปราชที่สก็คืออะไรนิจจาวิปปราชพวกนี้ให้ความสำคัญในความเที่ยงหรือยึดถือว่าเที่ยงพวกนี้ยึดมั่นทิฏฐิที่ยินดีในสงสารยินดีในความ เที่ยงความยั่งยืนน้อยวะตาเนี่มีแต่ความชีรังยั่งยืนความแน่นอนความมั่นคงตลอดไปพวกนี้ยึดถือด้วยอํานาจของทิฐิส่วนวิปลาสที่สี่ที่สําคัญในอัตตายึดมั่นอัตตาวิปลาสเนี่ยนะพวกนี้คาดคะเนว่าเป็นอัตตาพวกนี้ก็ยึดถือในอั ต, ตาวาทุปาทานยึดถือด้วยอํานาจของอัตตาสัตว์โลก ผู้ถูกผูกไว้กับกามทั้งหลายด้วยกามุปาทานนี่เรียกว่ากาม โ, มโยคะนะยึดถือด้วยอำนาจกามุปาทานเนี่ยนะกามุปาทานในความยึดถือในกามทีนี้ไอ้ความยึดแบบนี้ยึดจนยึดจนผูกเอาไว้เรียบร้อยกับเสาหลักคือกามก็เลยเป็นกามโยคะส่วนผู้ที่ถูกผูกไว้ด้วยอานาจภพทั้งหลายก็เป็นภววะภวะโยคะเนี่ยนะ ผู้ทีผ่ผูกไว้กับทิฐิพวกนี้ก็เป็นทิฐิโยคะเนี่ยนะทิฏฐโยคะนะถ้าทิฐิโยคะนะจะไม่ใช่ทิโคะจะเป็นทิฐิโยคะพวกที่ถูกผูกไว้กับอวิชชาที่เป็นอัตวาผู้ทุปาทานเนี่ยนะพวกนี้ก็ด้วยอํานาจของอวิชชายโยคะเพราะว่าโยคะนี่แปลว่าการผูก ผู้ที่ยึดถือในกามก็ถูกผูกไว้ด้วยกาลมโยคะผู้ที่ยึดถือในภพก็ถูกผูกไว้กับภพผู้ที่ยึดถือด้วยอำนาจทิฐิก็ถูกทิฏฐิชั่วเนี่ยผูกเอาไว้หรือถูกผูกไว้กับทิตฐิที่ชั่วช้าผู้ที่ให้ความสำคัญกับอัตตาก็ถูกผูกไว้ด้วยอำนาจของอวิชชาทั้งหลายผู้ที่ตั้งอยู่ในกาลมโยคะพวกนี้จะถูกร้อยรัดด้วยนามกายคืออภิชา นี่แหละไปเรียกว่าอาภิชากายคันธะผู้ที่ตั้งอยู่ด้วยภวะโยคะเนี่ยนะพวกนี้ก็ถูกผูกรัดด้วยนามกายด้วยอำนาจความพยาบาทกพราะคิดว่าพบที่ตัวเองอยู่แล้วจะสบายอยู่จริงๆแล้วมันเดือดร้อนนี่สิก็เลยเต็มไปด้วยความโกรธคิดว่าที่นั่นมันดีคิดว่าที่นี่มันดีพอไปอยู่เข้าจริงๆแล้วมันไม่ดีจริงก็เต็มไปด้วยความโกรธใช่มก็เรียกว่าพยาปาทกายขันธเนี่ยนะ คือตอนแรกนึกว่าแหมพบที่ฉันมาเกิดนี่ดีดีนะคิดว่าตรงนั้นมันดีเพราะอยู่เข้าจริงแล้วมันไม่ดีก็เต็มไปด้วยความโกรธเนี่ยนะโกรธแค้นมากเรียกว่าพยาปาทกายคันทะส่วนผู้ที่ตั้งอยู่ในโยคะที่สโยคะที่สคือทิฏฐิโยคะเนี่ยนะถูกผูกรัดด้วยปรามาสะเพราะยึดถือในทิฏฐิมากก็เลยให้ความสาคัญกับการปฏิบัติเรียกว่าศีลพัตตะปรามาสะ ให้ความสําคัญในข้อปฏิบัติที่เรียกว่าศีลและรสผู้ที่ตั้งอยู่ในโยคะที่สี่คือวิชายโยคะพวกนี้ก็ถูกร้อยรัดด้วยนามากายปฏิเสธอย่างอื่นว่าปลอมทั้งนั้นของฉันนี่แหละจริงพวกนี้เป็นอิทังสัจจาพินิเวสกายขันธะพวกนี้แหละจริงจริงอย่างอื่นไม่ใช่หรอกอย่างอื่นไม่ใช่รอกฉันเท่านั้นแหละจริงเหมือนกันความเห็นความรู้สึกนึกคิดของฉันเท่านั้นแหละถูกต้อง ผู้ที่ถูกกิเลสผูกรัดไว้อย่างนี้ย่อมเป็นบุคคลที่เป็นอะเรียกว่าย่อมเป็นอาสวะแก่บุคคลนั้นถูกผูกไว้ก็เหมือนกับถูกดองใช่ไหมเรียกว่าถูกดองเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะอาสวะแปลว่าความดองบ้นถูกผูกไว้ที่ใดานานก็แสดงว่าเหมือนกับดองเอาไว้ที่นั้นเพราะเหตุใดจึงเรียกว่าอาสวะเพราะนอนเนื่องหรือหมักดองอ่ะนะดองแล้วก็ไม่ใช่ดองธรรมดาก็ปั่นป่วนด้วย กามาสะวะนี่แหละสำเร็จด้วยอภิชากายคันทะเพราะอะไรเพราะว่าผูกรัต ด, ด้วยนามผูกรัตนามกายคืออภิชาเอาไว้เนี่ยก็เลยหมักดองเป็นกามาสะว ะ, ะนะครูกหมักดองด้วยความพยายามก็เพราะพบนั่นแหลววะภาวสวะทิฏฐสะวะสําเร็จด้วยปรามาสกายคันทะคือศีลพัตตปรามาสกายคันทะเนี่ยเพื่อไปเสริมเพื่อไปเสริมเพิ่มพูนตัวมิจฉาทิฏฐิให้แรงกลา้า ความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นปลอมไม่ใช่ก็เพิ่มพูนวิชาความโง่ควา ม, วามขาวความไม่รู้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปอีกพวกที่ถูกหมักถูกดองเนี่ยนะถูกกิเลสร้อยรัดหมักดองเอาไว้อย่างนี้แล้วกิเลส ท, ทั้งหลายก็ย่อมขยายกลายเป็นโอเคท่วมทับไปหมดเลยนะหมายความว่าถูกกิเลสหมักดองเอาไว้แช่แเสร็จแล้วก็น้ํามันท่วมอ่ะนะถ้าน้ำท่วม น้ำคือโอคะก็ท่วมน้ำคือภพก็ท่วมน้ำคือทิฏฐิก็ท่วมน้ำคือวิชาก็ท่วมทับผู้ที่ถูกโอคะสี่ท่วมทับอย่างนี้แล้วนะหมายความว่าถูกหมักดองนอนเนื่องอยู่อย่างนี้อนุสัยกิเลสที่มีกําลังก็เข้าไปสู่ใจตั้งจดอยู่ในหัวใจก็เลยถูกลูกศรคือราคะทิมแทงถูกลูกศรคือโทสะทิมแทงถูกลูกศรคือมานะทิมแทงถูกลูกศอนคือ โมหะนี้ทิ่มแทงเพราะพวกที่จิตใจถูกการมราคะหมกมุ่นเนี่ยน ะ, ะถูกการโมคะท่วมทับเนี่ยนะลูกศรคือราคะก็เสียดแทงเหมือนกับว่าเป็นคนที่ถูกชนักติดตามตัวตลอดคือราคะคนที่ติดอยู่ในภพเนี่ยนะแต่และภพก็เต็มไปด้วยโทสะโทสะก็คือไรโซกะปริเทวะทุกโธมัตและอุปาญาเพราะภพทั้งหลายโดยมากพบทุกภพนามาซึ่ง โสกะปริเทวะทุกขโทมนัษและอุปาญาตจึงเต็มไปด้วยความทุกขเต็มไปด้วยความโกรธอันนั้นลูกสอนคือความโกรธก็ทิ่มแทงจากภบต่างๆเสร็จแล้วผู้ที่ยึดถือด้วยอำนาจทิฐิที่โขคะที่มาจากศีละพตาปรามาสะเกิดจากการปฏิบัติยิ่งปฏิบัติมากยิ่งมานะมากเลยนะพวกนี้ลูกสอนคือมานะก็เสียดแทงทิ่มแทง นะผู้ที่ยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงถูกกิเลสคือวิชาท่วมทับแล้วโมหะก็ลูกศอนคือโมหะก็ทิมแทงเนี่ยนะลูกศรคือโมหะก็ทิมแทงพวกนี้เนี่ยนะปฏิสนธิในภพหม่คืออะไรบางพวกที่ถูกลูกสอนนะถูกลูกศรคือราคะทิมแทงพวกนี้ก็นอนเนื่องอยู่ในภพที่เกี่ยวกับรูปอันนะัให้ความสําคัญกับรูป นะจิตใจก็โครจรไปตามรูปเรียกว่ารูปจิตของเขาก็โครจรไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั้นที่ตั้งแห่งวิญญาณเกี่ยวกับรูปก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากลูกศรที่เกิดจากราคาลูกศรที่ตัวเองที่เกิดจากราคาก็ไปตั้งมั่นอยู่ที่รูปนะลูกศรคือโทสะก็เพราะไปตั้งมั่นอยู่กับ เวทนานั้น่ะตั้งมั่นอยู่ในเวทนาเพราะเวทนาเนี่ยนะแม้แต่สุขเวทนาเนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงถ้าความสุขหมดไปอะไรตามมาความทุกข์ก็ตามมาโทสะก็ตามมาทีนี้ลูกสอนคืออ่าลูกศรคือมานะเนี่ยทิมแทงเพราะจิตใจเนี่ยตั้งอยู่ด้วยอำนาจเกี่ยวกับสัญญาเนี่ยนะถ้าลูกสอนที่ตั้งอยู่ด้วยสัญญามานะก็ลูกสอนคือมานะก็ทิมแทง ลูกสอนอวิญญาณที่ตั้งอยู่ด้วยสังขารอะไรทิ่มแทงลูกสอนคืออะไรทิ่มแทงโมลูกสอนคือโมหะก็ทิ่มแทงเพราะลูกสอนคือโมหะแปลว่าหนังสือตรงนี้มันตกไปคำหนึ่งไงตกลูกสอนคือโมหะนะวิญญาณที่ตั้งแห่งสังขาร วิญญาณที่ที่ตั้งแห่งวิญญาณที่เกี่ยวกับสังขารย่อมมีด้วยวิญญาณที่มีการร่ารศด้วยสับปีติกะตัญหาเพราะลูกสรคือโมหะนะถูกลูกสรคือโมหะเนี่ยทิไมไว้วิญญาณที่ได้รับการสนับสนุนจากวิญญาณทิติสเหล่านี้ย่อมถึงอัคติใช่หคือวิญญาณที่ติดมั่นอยู่ในรูปพวกนี้จะมีอคติด้วยฉันทาคตินะ ที่ตั้งอยู่ในเวทนาก็มีอัคติเพราะอะไรคือคนที่ติดมั่นอยู่ในรูปเนี่ยจะมีฉันทาคติผู้ที่ติดมั่นอยู่ในเวทนาพู้นี้จะมีโทสาคติผู้ที่ติดมั่นอยู่ในสัญญาผู้นี้จะเ็นเป็นอะไรพยาคติพวกที่ตั้งอยู่ในสังขารพนี้ก็เป็นโมหาคติก็คือความเขา่าสรุปว่าชีวิตอยู่ด้วยความรักความโกรธความโง่และความความกลัวและความเขา่า เพราะฉะนั้นผู้ใดถึงฉันทากติก็ถึงเพราะความรักนั่นแหละโกรธถึงโทสาคติก็เพราะความโกรธถึงพยาคติก็เพราะความกลัวถึงโมหาคติก็เพราะความเข่าทั้งกรรมและกิเลส ท, ที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นแหละเป็นกรรมและกิเลส ท, ที่เป็นเหตุแห่งสังสารวัฏอันนี้คือชีวิตที่เป็นจริงของเราทั้งหลายโดยมากของผู้ที่อยู่กับวัตจัก็อยู่ด้วยอาหารสี่ เต็มไปด้วยวิปาัาสียึดถือในอุปาทานสีถูกประกอบไว้กับโยคะสีถูกคันถะเครื่องร้อยรัดสีประการร้อยรัดเอาไว้ถูกอาสวะสีหมักดองแล้วก็ถูกโอคะสีท่วมทับถูกลูกศรสีทิมแทงวิญญาณก็ตั้งมั่นอยู่ด้วยวิญญาณทิติสีแล้วก็ายด้วยอคติสีพรันชีวิตของบุคคลเหล่านี้ที่ล่องไปในวะตะัปตปฏิสนธิไปใน พบแล้วพบเล่าอยู่อย่างนี้เนี่ยนะส่วนวิธีการแก้ปัญหาการออกจากวัตะเหล่านี้ก็คงเป็นเป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะได้มาพูดถึงวิธีที่ที่ออกจากวัตะของผู้ที่ถูกติดพันอยู่ในอาหารสี่เต็มไปด้วยวิปลาสสียึดถือในอุปาทานสี่ถูกผูกไว้ด้วยโยคะสี่ถูกร้อยรัดไว้ด้วยคันทะสี่หมักดองด้วยอาสวะสีเนี่ยนะท่วมทับอยู่ด้วยโอคะสี่ถูกลูกสอน ทั้งสี่ประการทิ่มแทงจิตใจก็ตั้งอยู่ในเฉพาะขันห้า น, นะไปด้วยความลำเอียงไปด้วยความคดวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงวิธีออกของพรุ่งนี้วันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้